ด้วยตาทิพย์อันบริจูดเหนือมนุษย์รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตติเตียนพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดเขาเหล่านั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารก ส่วนหมูสัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตเวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นชอบชนเหล่านั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมูสัตว์ผู้กําลังจุติกําลังเกิดทั้งชั้นต่ําและชั้นสูงงามและไม่งาม